ใสมัยระยะผมอยู่นี่มันก็เหลือเฟืออยู่นสมัยเขาหนาภูวาจารพางนั้ น, น, ป น, นเป็นอันดับแรกกากเขินจริงๆคล่องจริงๆสมกับเป็นนาของท่านเลยเราก็หาที่จะมีไม่ได้ตหนท่านนนเพราะปัาหาอย่างนั้นทำไมยมืดตัวงความห ม, ม, ม, ม, มายนะครับท่านี ไปที่ไนเขาไปรู้เรงขอเรางันจายบากลับมาไหมไปอยู่ทางน้องผือทางแถวนั่นทาบ้านเขาก็รู้เรื่อแล้วมีมีหอใส่มเดือดเฟือยอยไรหนึ่งบางคนไปอยู่ทางป่าจำเขาอีก่างทีเอามันมันมีอะไร น้องคายลวก้องคายเลยก็้อายเลยที่น้องคาเล ย, ยมันอยู่พอนามสบายคนในป่าในเขามันตื่นสายนะโอ๊ยต่วันคืนนี้มันยังไม่ตื่นไปโรงพยบาบาลวันรู้ น, นมันยัไม่ทันบางวันข้า ว, วาไม่พอเรามจะหายอย่างนั้นไง พร้อมมันไม่มีตัิจารมันสบายเลคือจิตนำมุ่งต่อทาทัทอย่างเดียวนั้นอะไรๆมันก็ดีหมดทาน้เข้าอมนก็ดีนั่งเป็นหัวต่อไม่ง่วงนีตะข้าต่อไม่ง่วงโดยนโกงตเปิ้วนั่งเวลาไหนเยป็นหัวต่อเรื่ยงตรง จิตใจองใสมันสงนาผ่าเผยมองดูเวลาไหนมันก็ส ง, สงาผ่าเผยในจิตยิ่งถึนขั้นปัญญาด้วยนะมันก็ยิ่งละเอียดรอจมตนี่ที่คือว่า ม, มันสง่างามงมากๆเป็นหลงเจ้าของมันจิ๋นผมเคยเป็นโอ้จิ๋ันทีม่มาทย์ใจขนาด น, น, น, นี้ว่า ไม่ม่อะไรจะประว่าิขนาดแค่ไหนร่างกายเมื่อมันถึงขั้นภูมิมันที่มันว่างมันว่างหมดน่ะนั่นเราผมดำเนินมาถึงนั่นมันว่างหมดจริงทริงมัเป็นธรรมชาติของเราที่รู้ขึ้นมาของเราเองเห็นของเราเองเป็นสมบัติของเราเองไม่เกี่ยวกับความจำในทางระยะจำมาผ่าผีไม่มีเป็นหลักธรรมชาติของเราเองมาถึงขั้นมันว่างมันว่างดีเดินไปในแผ่นี้เหยียบดินไป ตับตับ ต, บ, ตบอันนี้ใจมันก็ทลุเหมือนไม่มีแต่งดีแต่ใครจะมาฆ่าแมวหมาเนี่ยไมได้ <c oughs> เป็นกรณีส อ, สองสองแต่ละคนก็อาจเป็นไปได้ใช่ไหมจะไปเป็นงานทุโองไปแต่ถ้าเราพร้อ น, นี่มันฝึกมันซ้อมถึงี้ืองนมิมิ ก, กับความสลายของนิมิกลารลงไปเป็นล่างเป็นล่างนี่นมันฝึกซ้อมแล้วถึงม่ยไม่มที่ ี่พิจารณาไม่มีที่ทำมันทำระนั้นงานมันเดียวเท่านั้นจิตมันพุ่มแพขึ้นมาเป็นผ้ามันก็หมดประพันปั๊บนี่หรอตอนั้นเรากาหนดให้เองรูปผิวผิวชายเอามาตั้งปุ๊บละลายพร้อมเลยพิจารณาสุภาษิตฝั่งนี้ไม่มีทันเพราะมันเลยขั้นมันแต่แรกพอมันเป็นผ้าขึ้นมาพดับปุ๊บดับปุ๊บกับปุ๊บเหมือนกับฝ้าแรกนี้แความจำนาน ร่างกายของตามองเห็นแต่อะไรไมันจะใหญ่ยิ่งกว่าจิตเพราะตานี่ก็เป็นเครื่องมือของจิตร่างใหญ่มันว่างอยู่แล้วมันทําไมไมันจะมาว่างนั่นมันว่างร่างกายมองเห็นกับนนวความเป็นหนองๆเราความว่างมันเป็นพื้นอยู่แล้วมองบนไม้สูขขงเขาก้อนเห็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กมองไปนี่ตามันเห็น มันพอเป็นรูปรางล่างแล้วทำนองนั้นน่ะแต่หลักใ er? e. หญ่มันพุ่งทะลุไปหมดมันล่างไปทั้งหมดงานระวังเลยเพรามันฝึกซ้ามใานิดนึงผมเข้าใจว่างนั้นผมมันมีนี่อันนี้มันมีสองอย่างอย่ารกเขาอาศัยมีจจาูภาพิจารณาูภาอะอยูางตกิดทนี้ทำนัานมองดูคนนี่ออเดินไปสามเก้าหเวลามันทานานพอ แต่นยังล้ามาได้นะือเราพูดทุกเรื่องความจานานามมี่เกี่ยวกับรายละเอียดของมันเรื่องนาาันน้เรามองดูหญิงชายเป็นระเบียงขบา่ายไม่มีอะไรไม่แต่เรื่องฝึกซ้อมผิดนะลองทํากําหนดปั๊มันเดินไปขนาดสามก้าวนี่ยมันได้ถึงห้ารอบมันรู้เลย ปุ๊บ๊มันมันไม่ดูมันไม่ไม่ไม่อยู่แล้วืิวหนังมันทลุทะลุรอบๆมันเป็นธรรมัาติของมันทางานกระหนเดินผ่ากระหน่ำออกแต่มันก็ยังตัดปัญหายังไม่ได้นะครัถึงหมายถึงวาถึงคั้นทางานเราจะนั่งแล้วที่ผ่าข้างนอกมันกลับเข้า เขมาเป็นภายใระจานะที้าข้างนอกมันก็ปล่อยเลยมปัญหามันก็มีภาพอย่ภายในปุงขึนมาพับข้างนอกมีภาพดับปุกมันหลุมาพับยังไม่แยกขยายดับปุ๊บดับปุ๊บแต่ภาพข้างนอกมันยังแยกขยายพอมทำานจริงยังแยกขยานไปเร็วมันเพราะว่าพับพพับพับพตอนนั้นดับทุกเลยดับปุ๊ข้างนอกมัเอากับกับหลดข้างนอกพับเข้ามาเป็นห้างใน ดับดับพร้อมกันเป็นข้าขึ้นมาปุ๊บดับปุ๊บคือละลายไละลายไปทันทีทันทีั น, นแต่นั่นกันมันก็เหมือนพามแม่แยกมันคือภาพเลยถ้านีแยกมาก็ดับพร้อมกันเลยอยู่ก็ไม่อยู่แต่สิ่งที่อยู่ก็คือความว่างนั่นกือว่ า, างไปห มันดูดมัว่ามันดูดดื่มอยู่นั่นเชื่อมันอยู่ตรงนั้นมันถึงดูดดื่ไมไม่พิรอะไรมหมดปัญหาแล้เขาหนอกไม่เอาอะไรไม่เอาอะไ ร, รงั้นก็งั้นนะทักใสใ่ด้วยมันจะมดทะลํากลับคืนมาอยางนั้นแหละถ้ามันเข้าใจแล้ ว, ลวมันก็เหมือนในรังคันอาหารอย่างนี้ยมันมันอื่นแล้วประเภทที่อื่มแล้ว ใครจะไปฝืนกินได้เมื่อมันอิ่มเต็มที่ของมันนล้วมันฝืนได้ไมันไม่ต้องหยุดมันดื่มอะไรเช็นหวานมันไปเอา บ, บุกใส่หวานาก็อยู่มที่พรหวานมันอิ่มเต็มที่แล้วเอาจะบุกอะไรเอาน้ำหรือเอาน้ามาใส่เต็มที่ทีนี้เอาอะไรที่นี่หมดแหละพอต้องหยุดมาเองท้างนั้นทงนั้จะควรในการรัทานเป็นอย่างไรมันก็ไม่สนใจมันพองมันแล้วนั่งทำพิง า, านมันต้องนั่งสังเกต ร่างทั้งมดแล้วสิทสางภาพเาเลยที่มองดูตัวนเป็นเปเงาเงา้างร่างกายอันนี้มันเด่นพอว่างสวางสาภาพขาเองนนั้นก็ทาให้หลได้เหมือนกันบางทัทก็อาชจรรย์ใจถวงไม่สไม่นี่มันจะเป็นขนาดนี้อาชจรรย์ไดขนาดนี้เท่าดีว่า แหม่นั่นนันก็พออยู่แต่การพิจารณานั้ำมีเหมือนกับน้ําทับน้ำซึมนะในย่านนําเป็นเป็นปัญญาละเอียดเป็นปัญญาแดดน้ำทับน้าซึมไม่แบดน้าที่ไหลโจรลงมาจากภูเขาปังปังปังนั้นขั้นอูปคะปัญญารุงแรงมากดีอยู่มันก็ตัวไหวไปหนึ่งตามขั้นนั่นแ พาถึงข้างะเอี่ดมันผิดแล้วมันก็เหมือนเราสายกบม่าเราจะเอาขวานไปฟังได้มีแต่เครื่องมือเบาๆค่อยสายแฉะแฉ่แฉะแฉะไปเนยมันถึงขั้นละเอียดมมีปรรดาผิดนอนละเอียดเข้าไปที่เรีละเอียดเข้าไปเราจะไปใช้ผงังผมันขัดกันความเหมาะมันอยู่แค่นั้นอยู่แค่แบบน้ําไหลน้ําซับน้ําซับน้ำขึ้นมันมัน มันมันรู้ความเมาสมมันเรียกวันนี้ก็เป็นมัจจิมาของพิเดชขั้นนึงนี่มัจจิมาของธรรมเพื่อปราศี่เด็ดประเภทนึงอันนั้นเป็นมัจจิมาเพื่อปราศี่เดชประเภทนั้นอันนั้นเป็นมัจจิมาเพื่อปราศี่เดชประเภทนั้นเหมือนกับเครื่องนั่งเครื่องมือสำหรับทํางานหยากนั้นเครื่องมือสำหนับทํางานขนาดกลางนั่งเครื่องมือสำหรับทำงานละเอียดนั่งเครื่องมือสำหรับทํางานละเอียดสุดนั้นเหมือนกัน ยิราออาหารไปแล้วโหเงี้เพิ่มเครามคองแค่วความจิตมันรู้นึ่งอาหารมันต้องแค่วว่อปแคล่พาวแค้วาวแ่างเวพานี่มันเต็มมันเนี่นั่งเงียงเงี้ยนี่อันน่งนมันขึ้นดึกสนักนี่ ปรากฏวโลกธาตุไม่มีอะไรนีแต่ความรู้นี่ทีเด่นหรือว่าครอบโลกธาตุคือความรู้นมันเด่นโดยยาถังตัวเองไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยหลือแต่รู้นั้นลเนเป็นรนนรูนวน่นั่นแต่รววครอบโลกธาตุอันนงว่าเหมือนโลกธาตุไม่มีคือเขอ้ามาโลกธาตุไม่มีสีกผิไ ม, ไม่ไม่ไปสำคัญมั่นหมายกับ โลคใดๆทั้งนั้นสิ่งใดทั้งหมดมันมีแต่ความรู้ล้วนมันก็ลเหมือนโลกม่มีเนิคกหนดความรู้เห็มันส้างแะ่นี้มันก็นตัวเป็นเหมือนครอบโลกธาตุเวลาอียเป็นอยาเวลามันยาวมเป็นยังไงฟัง เอาำแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ผมนมสัยผมมันได้พอได้ได้สติสตางค์ไม่ได้ของมนิสัยแปรไรผิดสงบมันแปรท้หลานมันได้เป็นแบบเอาเป็นเอาตายตอนนั้นกิริยานิสัยยกของทำาธรรมนาธรรมดาเหมือนทั้งหลายนั้นไม่ได้ริ่งน่ะไม่ทราบเลย นี่ใส่ไว้สองมันอยากบางเวลาทำเงินเพีย ม, มันต้องมนเป็ขาดผลมากขาดผลจี่ ง, บบงมันใส่ไม่ใส่ขาดผลมันใส่เอาทีน่าจางมันกินจริงจริงว่าอะไรบางทีมันขาดไปเลยท่ามเลยทำเงินวันกันขาดกันไปคิดทำไมที่ย้อนหลังที่ยอนมันกลัวมากๆมัน ามันกัวทั้งที้งิีกิเป็นสมาีิด้วยดีนะแต่เวลามันกลัวมันกลัวเหมือ น, นกันฉันดูิมนนันหลอกไปให้เรากลัวได้ดดไมันดับจุด ข, ของ น, ขนิรนนัตดูมาวิจาราทุกวันโอ้เข้าทีเอาไว้ละลายจากขวางเข้าทีเหนกันแต่ยังคนหนุนรู้สึว่ามันมีกี่สิบตัวหมอบร้อยตะิน พระนั่เป็นพระคนเดียวพระนักศาสนาองค์เดียวมันจะพอกินกันเลยเสืมากว่านี้จะกรองก็มันไปคิดไปที่ไหน ม, มีแต่เสือหมอทงหมดพระทอดกรนั่นนะการสอบเก้าสอบน้าเจะให้เราแล้วมั น, มนจะดูแลจะจจิ้มเสือมากมาจากกองมันจะไปจิ้มาจิ้มคนเดียวมันลพอกินกันเ ล, หลยหวานนะ มันตัวก็อยู่ปากเสือนี่มันก็มีมันปัาอย่างนี้แหละเอาัน้มัดให้สมันขาดคนวามกรังจริงจริงเหรอเอาอันนี้เอาไปจะไปหาตัวไหนก่อนมันสาคัญตัวไหนให่ที่สุดมันมีอะไรมันจะสาคัญตัวนั้นใหญกว่าตัวนั้นตัวว่าตัน้นมีอะไรเลยนะก็แทนต้นไม้ธรรมดาไมนมีเสือตัวอยู่ แม่ตัวเดียวกูม osi, ก้มันเอาไปเรื่องของขีมันหลอกตั ว, ข, ว, วของไม่ควัวขย่าวจะของไม่กลัวนี่จริงๆว่ามันกลมมายาด้นี่เอามันมันขยา่าเราแบบนี้มันหลอกแล้วแบบนี้เราก็หลอกมันแบบนั้นเหมือนกันเอาตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนั้นใหญ่กว่าด้วยให้ตัวนั้นกินก่อนอ่ะนี่หละนะ <c oughs> มันก็บอกในจีนธนะมันแน่ใจในจีนว่าตัวนั้นใหญ่เอะไปตัวนี้ก่อน ตัวนั่นพอเข้าบาสตัวนี้ตัวเรานั้งก็มกกระหมาดไปละพอเข้าบาไตัวนี้มันไม่มีน้าเห็นหมหนึ่งแล้วนะหลอกก่อนเอาที่นันอีกที่โน้นีกอไปอีกสองนะจับไว้จับไว้มะเพราะเราจะเปิดฝึกจิตระมาณจิตดักขันดานตแล้วมันจับได้ได้หรือมันโกหกประมาณหนึ่งแล้วนะมาเสือเป็นี่สิบสามสิเวลาเข้ามาแล้วตัวเดียวก็ะมาณหนึ่ิหนึ่งแล้วนะแล้วที่นั่นอีกที่โน้นอ่ะอ้าอ จากหลังจากนั้นก็ตัดสินใจปุ๊อีกพักหนึง่งเเอาตรงนี้ถ้าว่าเราฝุกธารมานจิตของเรานี่มันั้องไม่หายผัวเมื่อหแล้วเราจะไปมันทั้งคืนว่านี่น ะ, ะ, ะท่ท น, นีู้ชมนจะมีแต่ทางศาสานเท่านี้ใครจะว่าบ้าก็ตามเราไมไ่เป็นบ้าแเราทรมานจิตต้องหาเงิอาน้าเรานีา่ยเอาเร่องที่จะกลับมาที่อยู่นี่าทาพองจิตยังไม่นำยังไม่กลับ จนกระทั่งไปถึงที่ที่มันไปไม่ได้แล้วควรจะกับขืนเขามาตามผงนะไปเคืนนะถึงาลงกไปไหนเขามาตามสงูงนึึน ง, งมาเอามันถึงเหตุถึงผลนี่หอหนึ่งนะะสองนะไปบรื่อยสานะพอถึงหกทำอะไรไม่ลืมกัน ไ, ไหนถึงหกวานละมันคลิกปุ๊บขมาโกหกทั้งหมดนั่นนิ จ่อยู่นี่อไปไหนกันมันก็จีบมันจ่อนี่ไม่ใช่แบบไปแบบเป็นพันเป็น่เคยยองปติรอยจีบลอยมันนะจีบมันจ่อมันคอยจับพกรุธกมีนี่นี้ไม่ถอยไงไปหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสามแล้วนะสี่นะถึงหกไม่มีหมโกหกขนาดนี้ยันจะเชื่อเปไหรือเหมือนนวบขาดประมาเลยเอมันรู้ผมันโทษจตัวโกหกตัวเดียวเท่านั้นที่อันนี้ก็ยุบ งูลงไปเลยทันทีเรื่องความกลัวนะหาเนี่ยพอความกลัวหาปุ๊ความกล้าหาขึ้นมาแทนที่เต็มที่เลยเช่นเดียวความกลัวหรือเก็งบนนั้นอะไร่างครั้งเป็นอยแบบนี้นะตามความรู้สึกเจ้าของสมมติว่าเสือมันเดินดุ่มๆุ่มมาเนี่ยมันจะเดินเข้าไปรูปคำหลังไม่ได้อย่างถ้ามาจริงๆน่นนะในความรู้สึกน่ะมันอ่อนนิ่งแต่หมูม่จิตถ้าเราอ่อนถ้าเราแข็งก็แข็งไม่มีอะไรย แต่เดินเข้าไปลูกคำเหลืองมันได้สมัยแต่ไหนเพื่อนคือมันอ่อนนุ่ น, เนมเสมอควากล้าหาญเต็มท่อะไรก็ตามขึ้นที่ว่าอันตรายแล้วจะไม่สามารถทําได้เลยในขณะนั้กล้าผลในความรู้สึกนะแต่ความจริงน่าจะเป็นอไรนั่นเราก็าสามารถได้นี่เราฝึกจิตเราต่างหานมันเป็นความรู้สึกอะรเราฝึกมันรู้กับทำตามความรู้สึกมันเท่านั้นเกิดความจริงก็ เสือจะกินเวลาเราเข้าไปนช้างสัข้างเราเราเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เลยีท้อไม่หายจริงจรนี่แต่ความกล้าหาญกล้าหาญนี่ไปไงกลับมาอย่างสน่าผ่าวเผยมาเดินดิงกรมอ๋อป้างไมเป็นวันหลังล่งด้วยทอย เอาอยู่เหือวะนี้หมอกปุ๊บเลยเดอเอา่เหลือะนีนัน่ะหมอปุ๊บเลยอหายเงียบไปเอาจรเอาอีก็เอาีเมือนเก่าที่เคยได้อุบายยังไงมันจะไม่ล่อยนอกจากเปนหนักนี่เน้นหนักเข้าไปย่นั่อีกยิ่งไปถอยได้เตัดไปน่กนมายังูว่า ตามเท่าที่เราเคยพิจารณามาเลยมันเป็นขั้นๆ ข, ขั้นหนึ่งแล้วนะความความกลัวได้ด้วยกันไม่คิดออกไปหาอันตรายเช่นเสือเก็ไม่คิดเรื่องของเสือมาในอ้นหนึ่งจิตให้จอยกับคำวิกรรมคือผมพานาพุทโธให้จิตติดเนื่ อ, <S <S องกันอยู่เลยกับคำพุพทโธถูกไม่อยอมออกบางคับไว้เลยความกลัวจะมีเจ้าฟ้าตะบดินไม่เข้ามายุ่งให้ยุ่งเกี่ยวข้อ ง, งกับพุทโธในอันหนึ่งเมื่อ ถี่ยิยบก็บไปด้วยพุทโธมันมีเวลาจะปรุงนะเดี๋ยวมันจะเป็นพลังขึ้นมาสงบพอสงบแล้วจิตมันแขงแก่ควา ม, วา ม, วามากลัวหายขึ้นพอคิด่อกไปคิดออไปเรื่องนั้นก็ไม่มนยอย่างสบายนีแล้วเราหนักความกลัวหรือจิตสงบได้ด้วยพุทโธในขั้นนี้เราหงความกลัวได้ด้วยวิธีนี้แล้วอันดับที่สองคือเราเคยปฏิบัติไปอย่างนั้นเราเคยทำอย่างนั้น ขัอที่สองพราะกล้าของขั้นปัญญาอยกปัญญามันแยกภาพมันแยกมันแยกเพราะว่ากำหนตระเสือกลัวอะไรมันรีดอยากที่แจ้งอะไรปฏิบัติกลัวอะไรมันเหรแอแยกแยกยกกลัวขนมันเลยขนเราก็มีเหมือนกลัวตาห้ืตาเราก็มีเหมือนกลัวไง ครัวเขี่ยวมัหรือเขี้ยวเราก็มี่านัวมัหรือครัวลายมันหรือลายเราก็มีมันควรแต่มาถ่างคัวเรีครบคัวเป็นลาดับธรรมดาแต่ของเราก็มีเครื่องรับกั น, กนทั้งนั้นมันก็ไปไปเดนกรอบที่ตรงหางหนึ่งพอไปถึงหางตัวอลไตัวหางมังงนหรือก็มี้มันจะมีตาออกได pues ้ว มันมีออกเจนได้นะปัญญาอย่างนั้นเลยะกลัวหางเลยไอ้ที่เราเหมีหางสูนหางเราเห็นกลัวเราเราไม่มีหางทำไหนกลัวหางมาเลตั้งแมันยังเห็นกลัวเราไปกลัวทําไมเอ้อแน่เห็นไหมมันปิดปกเลยนะอย่างนี้มันก็ไม่ลืมนะตั้งแต่ตัวมันเองไม่เห็นกลัวกันเราไปกลัวกันทําไมมันยิ่งอยู่ไกลหางติดกับมันอย่าันกลัวกันทำไมะแต่อื่นของมันกลัวนั่นของเราก็มีเห็นกลัวนี่ ของเราก็มีเาว่าอะไรซึ่งของเราก็มีของเราก็มีพอไปถึงหางนี่ของเราไม่มีมันจะไปแบบไหนแม้ก็เรียนเหมือนนะกลัวหางหรือแต่ตู้งัวไม่ไดงไม่เห็นกลัวเราไปคลัวมันทําไไรนี่ออกถึงนั้นก็ยิ่งแยกยิ่งชัดนะแยกยิ่งพันกี่ด้วยนะแยกหนังแยกมือแยกก็ดูกไปอะไรเป็นเสือมันมันคขี้ทางมันด้วยปัญญาขั้นบรรญามันตั้งับความกลัวได้ด้วยอุบาตปัญญา ถึงไม่กลัวมากมันก็แสดงให้เห็นมีความกลัวแล้วก็แย่แ้ะมันออกไปตั้งแต่ขนทั้งมันด้วยด้วยถึงหนังถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกแยกได้อไหนไหนกลัวตรงไหนกลัวตรงไหนกลัวตรงไหนเรื่องหนาใเรื่องหนตเนอต็กระดูกซึ่งกูเหมือนกันกับอันนี้อันนี้กเหมือนกันันนงไหนถ้าพูดถึงเรื่องใจใจมันเป็นใจปัตใจเราเป็นใจขรนเป็นใจพระเรามีธรรมเนื้อมันอีกเนี่ยแย่ันาดถึงกระนานนั้นพอเข้าสังกิตแล้วมันก็หมดปัญหาความกลัวก็ไม่นี้มันแยก ด้อุบายขมันตามขั้นปรุงเลยจากนั้นตีแลควที่มันเป็นอย่างนี้นเพียงมันปรุงเรื่องมาเสือตอนนั้นภาพพอปรุงภาพดับทุกพร้อมเลยกลัวเป็นอะไรหาอะไรกลัวมไม่ได้ภาพมาหลอก น, นั่นี้พอปรุงพมําแบบมันรู้เยอะแต่ปรุงมันออกจากนี้ว่าเสือมันก็ออกจากที่นี่ภาพปรุงําเป็นภาคเสือมันออกจากนี้ไม่ได้มาจากโน้นไม่มาจากไหนสติปัญญามันทํา ผุงยัดบอกเป็นเป็นภาพเสือเย้าภาบกระดับ้อมรู้ทั้งมันภาพทั้งความพุ่งจิตออกมาเป็นภาพรู้ทั้งภาพที่ยวไปจากจิดนี่ดับไปมันเป็นเรื่องของจิดทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเสือมันหลอกตัวเองมันเข้าใจทันทีเบน้ยนจับจะกลัวอะไรมันจะกล้าอะไรมันจริงกล้ามันก็มีกลัวมันก็มีเทียยมันดุตรงกลางนั่นแหะ แต่สัญชาตยานซึ่งเป็นของเคยมีมันมันมีมันมียิ่งแตสัญชาตยานมันเป็นอื่นเช่นเรนเดินไปเป็นทำให้เราคิดถึงเรื่องระหว่างประอรหนกับปุถุชนหลัซึ่งเหมือนกันในปิญาปิญาเหมือนกันก็คือเช่นรื่นจะหกล้มหนึ่งจะช่วยตัวเองเต็มที่ไม่ควรไม่คอจะล้มไม่ยอมล้ม ช่วยเราเองเว็มที่เวลามันรื้อฟ้ามันจะปุ๊บเลยช่วยเราเองนี่เองเดินเดินไปไปเจอสิ่ที่มาเป็นอันตรายเช่นงูอะมันจะโดดพัดเลยหรืออย่างหนึงรากไม้ที่เข้าใจว่าเป็นงูเนี่ยพอเงี้มันจะโดดพุ๊บมันโดดปุ๊บปุ๊บไม่ยอมไม่ยอมจะเหยียบลงตรงนั้นนี่เป็นการต้านยาน ระหว่างควอมรักกับคนมีกิเลสมันผมว่าการความรู้สึกของผมวิญญาอย่างนี้เหมือนกันเป็นแต่ที่ที่ต่างกันก็คือว่าจิตทของท่านไม่ไหวเท่านั้นเองมันหากเป็นยวิยญาณเฉแสดงไป็นทหารจิตทของท่านไม่ไหวแต่จิตของตัวคนคนธรรมดาเหล่านี้มันจะร้อนผู้เล้ยดูดีตัวใสไปเลยคือมันกระเพื่อมจิตอย่างใหญ่โตอั่นั้นทั้งในนี้มันเป็นแยักตารรมอาการ ดยาแล้วันทัยาอันหนานั้นมันไม่มีอะไรมากเท่ากันตามความเข้าใจของลอกว่าสิ่งที่เหมือนกันการหัวเราะเหมือนกันตากดิ่งใสเหมือนกันกอย่างไเนี่ยมีใช่ว่าเาัน แต่ด um, ีแข็ง no แ็งไปไนเขาติดกันสำคัญท no ี right you. You ่ส like ิตอันหนึ่งจิตตายตัวแล้วมันผิดกันตรงนั้นต้องยังลากรากสำคัญรากฐานสำคัญจิตไม่มีความหมายเพราะไม่มีอะไรพอาไปให้ความหมายยิตก็ไม่จะเอาความหมายจากลยเป็นปกติจิตมันผิดกันตรงภายในแต่จิตยาภายนอกเหมือนกันนะมีบาง พูดคนเดียวเหมือนบ้าไม่หายมาพูดกันใหฟังหน่อยให้ลองได้อหน่อยเดีคนเดียวมาพูดเหมือนบ้าหมนลอกเหมือหลอกเ่คนเดียวพูดแบบคุเเหมือนบ้า กินมีกับทุกคนว่านี่ผู้ปฏิบัติมันควรอย่างยิ่งที่จะรู้ได้เห็นในธรรมที่กล่ามานังซึ่งไม่เน่าเนื้อไปจากตัวเลยหึยยังนักได้แ่ไมันึงไม่พลาดแต่ต้องต่อสู้ทุกระยะทุกะยาววั นักสู้ต้องสู้เดินมีนากกสู้ใล้กำลังไม่ไหวอย่าอยู่คนให้ดูตะกิจทำเกื่หอไหของกิจไปเวลาบินยบาบัดพอจิดถึงขั้นจิตที่มันมันสู้หล้วมันมันดูนะเพื่อที่จะสุกสร้ามศิลปึ่ง อ, อุิยะโหมันมันเอา ฆ่าต ja ัวนั <Yeah. S 1> well, well, lang, ่งมาฝึกมาซ่อมให้ท่าขั้นพวกความสงบนี้มันโมไม่ดูแล้วระวังนิดก่อนดูก็ตายเอาหลวงพ่อมันสูเอาแบบนี้อันนี้เลยมาเป็นสนามรบเรืยว่าเป็นหีนรับปัญญาสมบัตินหมือนแบบนี้แบบขึ้นเนาะปล้งขึ้นมาฝึกซ้อมเป็นมีความทำงานเตรียมกายแบบ พอตัวแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยให้มันปล่อยของมันไปด้วยอรุภะพิงญาเป็นอรับะเราก็ไม่จาเป็นกับพิญงาแต่ร่างกายร่างกายแผงออกกลับมาพิญงาได้กาหนดมาพิงญาได้เบื้องรูปร่างกายของหญิงทั้งขาทั้งขาเขาพิญญาเหมือนกับผีปราชาพิตราบเรือะไรอย่้ แยกกอุบาสิกานี่อยู่ข้างนามันกับเป็นยางความพลัดการแย่งย่ำการแย่งจิตใจมันยากนะแต่ว่าผมไม่เตือนเราไม่เคยเป็นเรามันก้มหัวลงที่ตรงไหนไม่ได้ เวลาผิดมันละเอียดเข้าไปเท่าไรแล้วมันยิ่งทิศผิดสูงเขาจะพุ่พทิ่ผิดนะแต่ไม่ใช่แบบทิดทิศแบบโลกโลกคุณคือวิจารณ์หาดูกับองค์แบบนี้เราไม่แนาใจเอื่องวกจารณ์มาเล่าคำฝังนี้ท่านแก้เราไม่ได้มาองค์ท้องผูมิต้องไม่สูงสูงแต่อาุภรษาสฉยจิดไม่สูงจิตไม่เหนือเราแล้วก็แก้เราไม่ได้นี่ที่วังมันเป็นว่า ครั <te> ้งประจำความวางประจำความจริงๆคนไ่าประจาหมอหมอประจำคนไข้จริงๆเราเห็นในเราแล้วเวลาไม่หักใจมนหน้าผ้ามัุ้งายตรงไห่างหน้าจิตหน้าจิตมันติดเฉพาะท่านเดียวล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ไปเข้าหาใครจริงๆเนะ่ยมาตกเย็นที่กาหาดเครับ ครูบาอาจารย์อื่นใดก็ไม่ประมาณแต่มันถนัดถนัดตัวของเราอีกคนหรือเรื่องอดีตที่ด้ยินในฟังมาจากท่านแล้อย่างไรนั่นละมาเป็นครูบาอารสอนตัวในปัจจุบันหมือนกือกือกือแทงสาเรื่องจิกกัญญาซะลงเล็กน้อยนะแต่ทั้งหมดเวลาเป็นที่มานี่ไปพูดกับใครก็พูดยากนะพูดแล้วพูดท่านฟังเพื่อท่านแก้ท่านแก้มาได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไ ทาํามะไม่ใช่ธรรมาแบบขร้างสร้างไปทุก อ, อย่างทุกหนทุกบุคคลมันจะมันจะออกเฉพาะคนที่เห็นว่าควรจะออกคือควรจะพูดเท่าในั้นทำมาแน่ใจแล้วก็ไม่พูดเลยเหมือนไม่รู้มันคือมึดมืนกับคนเดียวนี่ผมก็เป็นแคงนครับเพระาะว่าอาจารย์มีอะไรเปิดผึงถึงผึงเลยกลัวตั้งแต่ไม่รู้ทา่านกลัวแต่ไม่เห็นพอเห็นแล้วเป็นอะไรจึต้องมาถึงท่านเลย เราก็สมกับที่ท่านพูดว่ะเอห้าเล่นคนนะใคร จ, จะนอนใจนะหนักยิ่งชวนมาเท่าไหร่ท่านยิ่งเตือนเมื่อนื่เวลานี้พี่ชู้เท่ทายังดูนะนะใครเป็นมาไงเรื่องจิตเรื่องใจพีู้เท่ทาจะแก่วะน่นพ้าพูดยังอานอานพี่ชู้เศราตายแล้วมันลบากหนาะมันแค่มีใครจะจะแก่อะไทุี่ชู้ใครนักแก่จินเป็นของย่างนะึงไม่นานแล่ชู้เท่า ไม่เลยแปดสิบนะหน่อยดทำกลางสงมันบูสดพูดปั้งัมัรู้กี่ครั้งกี่หนใครยิ้กันหมดนะถ้ามใช่คนหูหมอกตาบอดน่ะทาพูดอย่นี้พูดอยู่เรื่อยๆวนเข้ามาทายท่านยิ้พูดแต่ว่าไม่ถึงกบเวลาท่านไม่ใช่เวลาท่านป่วยท่านพูดนะท่านพูดไม่ต้องต่อไหนสลายเรื่อยๆตรงระยะสามสิบปีระยะส่สพูดเลยคือสามสิปี จัดถึงวาระขงท่านคือพอสามปีหรือสองปีเข้าไปปีหนึงเข้าไปนี่ท่านย้ําเลยย้ําเลยไม่นานนะเดี mm ๋ย hmm. ว, วเข้าใจว่าเราจะอยู่ข้างฟ้านะใครมาอยู่ข้างฟ้านะเราไม่เลอะแอะสิฟั mm hmm. งซิท่านชัด ท, ท่านขนาดนั้นเราไม่เลอะแอะสิฟนะใครจะรีบเร่งมนกว่าให้ืีบเสียเวลาลงมืี้อยูนย่ยนี่ตาตายแล้วแก้มทำไม่ได้นเราแก้ใหน้น แล้วใครจะแก้ใครแกสจิตใจตอนนี้มันช่ลงเล็กน้อยมันจะเข้าใจอยู่เล็กน้อยนะเพนะว่ า, านี่ทำให้ลู้มแก้ทําไม่ได้มันก็ถกูแล้วก็พอเรื่องป่วยปั๊บนี่ท่านก็พูดเลยนั่นที่จับปุบเลยนี่แหละ ป, ลป่วยจนครั้งสุดท้ายเราไม่มียาอะไรจะหายแรักษาหายละมันเหมือนต้นมาที่กา ย, ยุ่นต้นอย่านี้ ข า, าดูเราน่าควรดีเพราะมันออกดอกออกผลมันเป็นไปได้นี่ก็ยังจะไม่ยังอยู่ลมหายใจเทราะนั้นมันยังไม่ลงทา ง, งังเหมือนไม้ตายอยู่ต้นได้แต่โรกนี้ไม่ตายง่ายนะมันโลกครมานเ mm hmm. นี่ยเปิดปูดไว้โรคคลานานเพราะฉะนั้นเราก็จับปุ๊กจับคู่เดิร์เลยผมจำได้เนกระทั่งวันเริ่มปูดขอท่านตอนนั้นผมออกไปจากไว้กระพุมประกาศท่านวันเป็นวันแดงเข้าไปถึงท่าน แต่าพมาภอยู่ไว้กุงมคนเดือกภูเขาที่ว่านะคืบบน้าเป็นน้ากรรมานเน่กินเออกินไปนนานมานดาเขาบอกมันเสียท่องาแต่ที่นั่นมันภาวนาดีอยูก่ ก, ก, ก, ก, กินเขากิ้จริงกิกินกระิงเขาปากไม่มีอะไรไม่ปากไม่แก่อบบมันมันล่วงมแ้ว เ, เออแต่ยู่ที่ไหนร่มมาเขาคนไม่เค หัคนอยู่อ่มีเรื่องไม่ล่มหือเราเล่นนอกก็อยู่มีสบายอ่าพอเรียงคํามหนึงเดือนเราก็มาถึงกันางเทาอยู่ไงอีผมเรื่องป่วย้วต่องวันซื้อนะวันซืนก็วันขึ้นด้วยกี่ขั้นเมื่อวานวันจุ่มห้าขันันเพ็งวันนี้เป็นไงคํานจับปุ๊บเข้าใจ หาเื่อไหนเราเรื่องเรื้องเรื่องเรอารอะไรอุบาสให้เรากลับมา่นี่แต่นี่อุาเลยคือเป็นารรู้ว่าอมไรอยากอะไรเรื่อที่สายตาเนี่ยกัาัวผมยังไม่อาของมาไม่เอาของไม่ามาก็แปลรือก็คือใชไมเนีใจกันะนั่นเวลากมาย้าเห็นบอกว่าที่นั่นเงที่น่เรืองไปแล้วถ้ามันไะคู่ถึงเลยท่านก็รู้ นีงมานนะพ่อเวลาแปดเดือนมันไม่ตายง่ายหรอกนี่มันลรประมาทเข้ามาประมาทลูกคนแก่บ้านนี้โอ้โหง่ายมาก แ, แล้วก็ปัญหาอีกันเือมาอยู่กันผู่นอยาคืณ เราอยู่ในมุ่งกับขั้นยู่กับขั้นยิ่งขันเพียบอะไเรากะต้องอยู่ในมุงตลอดเลยไม่ยอมให้ใครเข้าไปเพราะเราไม่แน่ใจมันจะไปทาความรังคางเสี่ยขังง้มู่สลาดเราตัวประกันเลยมดูเป็นรับาศบนตอนเช้านรบาศที่ใดเลยถ้าเป็นป น, น, น้อยผมไม่ได้รบับาศอย่างนี้น ทันในกาี่เราหมุนนั้นหมดลมชั้นฟ้าเปี่ยนใจเม่อูการบางทีของขอไปผมระ บ, บมุมนิเพรานะนั่งนะคืนมืนคืนไม่นอนเลยนั่งมื่ ค, คืนท่านเปล่ยนมาเราก็ไม่ยอมีอ่านั้นให้คนืไปเ ป, เ ป, เ ป, เปลีล่ยนไม่ได้เราไม่แน่ใจเพราะเรามอบที่ทิตใจกับท่านทุกสิง อ, อย่างแล้วโดนันนบเพื่อดีที่สุดบริสุทธในหัวใจ เราเชื่อเราขนาดนั้นเรามอบผู้สูงอย่างท่านแล้วจึงไม่มีปัญหาเรื่องอะไรจะเจ็บจะปวดจะตายก็เถอะไม่มีปัญหาใหญ่โตยิ่งกว่าองค์ท่านเราองค์ท่านเป็นตัวประกันเดียวชีวิตให่ของเรามีความหมายทีนี้ก็มาต่อถึงตอนบางทีท่านมักษเหมือนเหมือนครั้งของเราตอนนั้นก็นยังไม่ผ่าตัด เี้ยนมันอืแล้วนมันคนคลังแต่ไม่มากนะเราก็จะไม่รู้แต่คลิกมันอยู่ในระหว่างนะเป็ความร่หวังองานี่คุณอาจาต้องเป็นขนาด นั่นะ น, นะคิดิดเดียวกต่สติมันมันอยู่แล้วนะไม่ม เ, เลมือนนมันก็จำได้นาดนันนะคือไม่มีอะไรที่จะไปะยกโทษคิดนกาโทษกันทีนี้นนนมันคิดตรงใส่ตัวนี้เนะ ท, ท่านัน้นตส่อรอื่นางข่านคัญพราะเราไม่เข้าใจเป็นที่ยดนฐานาท่านก็จับออกไว้มันก็มีขนาน้นนิดเดียวเท่านั้น นี่เวลาดราดำเนินลงเราไปหลังจะทํามันแล้วผ่าไปแล้วพอมาเข้าใจเจาของตามขอุมหลังจงของแล้วมันก็ย้อนย้อนไปเห็นโทษก็ปรกาบรูปขอประมาณไม่ตั้งใจจี่ทุกคนก่อนผงเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ประการใดเป็นพระเรื่องกรงมสิเดดมันพวกเขาวารรยาลู้ต่อขงงกายทดีตสงสัยไปเรื่อยๆว่าไปยังไเองมันนี้ได้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้ว ยอมรับทุกสิ่งทุกการว่าเรื่องของขังนะขอากราดอย่างลากเลยอันนี้เราแน่ใจว่าโพสของเราไม่มีเหลืออันนี้เราแน่ใจที่มันเหลืออยู่คือว่ากลัวจะเป็นหมานะอันนี้ยังไงก็ต้องติดไปเลยอะทีท่านมาอยู่กับผมไม่มีวันที่จะกลายเป็นพระทาตได้เลยอันนี้เราก็รู้มันเป็นกรรมั น, น่ ฉะนั si ้นเราแน่ใจว่าขาดสะบ้านไปเลยหรอเพราะเราเราเห็นโทษเราขอมาโทษท่านทด้วยความเห็นโทษของเราจริงๆเนี่ยฉะนั้นเราก็บอกเราเราก็กราบเรียนท่านตามความรู้สึกงเราว่าเป็นแต่เพียงงี้สงสัยนิดหน่อยนั้นไม่ได้คิดจตเพียงเพาะเพื่อนความผิดบาปแต่ประกันใดนี่คือเรื่องของคนมีที่เลสนั่นกรู้ความคำประการปฏิบัติวันนี้ได้เข้าใจแล้วขอกราบมาโทษขอเลิกตา เรากระโดดใช่แหมลม่สร้างไม่ทำสอ้ยนหกของขันกับไปมองไปอุปไปคำมันบ้าเลยแหน่เหมือนกับเราเผากอไผ่อีกออไผ่แห้งแห้งมันตายไปถึงไหนแล้วไฟจ่อไปพอ เอออยนแต่ป่องปังป่องปั่งแกันเด่นมันก็เด่นี่เหมือนกับมันมีอย่างความจริงไม้ไผ่นั้นก็ไม่ทราบความหมายตัวเองด้วยไม่ทราบความหมายของไฟด้วยว่าร้อนหรืเย็นประการใดไฟก็ไม่ทราบความหมายตัวเองด้วยไม่ทราบความหมายของควไม้ไผนั้นด้วยแต่ก็ทํางานต่อกันอยู่ฮะป่องปั่งป่องปังเหมือนมีอย่างนี่เรื่องเวทนามันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยขันที่เป็น ทเวทนาผูกมัดลัดดึงดึ้อเหมือนก็เวทนาเป็นไฟมันไหม้ขันนี้เราเทียบนะมันแสดงมาเป็นแงก็เหมือนกับไม้ไผ่เนี่มันแตกมาเปี้ยวป้าไปป่าไม่เห็นผิดอะไรต้องเข้าใจเลยชัดอ๋อขันเป็นขันเป็นตามหน้าั้งมันดูจิตเป็นจิตนั้นนม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันตามอเป็นอารมณ์มากของตัวเอง เข้ากใจบาลานอาจจะตายด้วยยาบตุตายตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรตา่างๆมปัญหาอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของขันทั้งนั้นปกต้นไม้ตายตนาี่เป็นทุกุติตายหรือเป็นอุบัติเหตุรถโดนชนตายออกมาแล้วมันก็ตามเถอะนะทำไมพอสมาทีธิสบายท่านเป็นอะไนานมันก็คือความโง่ดีอาอนจะเป็นอะไรนะ ตั้ต่สิ่งน้ตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วเป็นอะไรนาอีกเนี่ยของขันของควาเกิดความตายมันจะตายเลยเหตผลของกายอะไรมันเป็นไปอยู่านั้นเห็นไหมในโลกนี้ก็มีเห็นไหมแม้แต่ในโรงพยบางคนนี้เป็นโรคนั้นคนนั้นเป็นโรคนั้นคนนี้เป็นโรคนี้คนนี้ตายเพราะโรคนั้นคนนั้นตายเพราะโรคนั้นคนตายเพราะโรคนั้นคนนั้นตายเพราะอุบตเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเป็นกันไปอยู่นั้นเรื่องมีขันมีเหมือนกับโรคทั่วไป เป็นเหนือโลกพอที่จะเป็นแสดความแปลกตลาดะกันตอกตั้งแต่ขันของตลาดขันเดียวหรือเปล่าหรือแสดงความต่างชาตอะไรตามนั่นแต่ขันของตลาดขันอย่างนั้นมันก็เหมือนขันทั่วไปหิบลงท่านไปจ mm hmm. ีนม่ป mm ัญหาละไร ท, ทำนี่รู้จีแต่มีคำไหนพูดไม่มีมคาไหนอีกนะ ถาม้กไม่ถามถามทำไมของรู้อยู่กับตัวเองถามทำไม่มาสันติจิโกมีความยู้ตื้อใจเย็นที่ไหนเข้าใจมมีปัญหาเลยถึงกูดสันติจิโกมันมมีปัญหาเป็นเรื่องของเราที่มีที่เหลืมันปิดไว้ไม่เห็นความจริงที่ทันพูดไว้ต่างกูเคยแต่ทวีดูมีหิเน่ไม่มีปัญหาเลยต่อคับโต้ตาชมโ่แต่ไม่ชอบแล้วเนี่ยชอบจริงๆไม่มีผิดมเคลื่อน แต่กิเลสตัวผดตเยอะตัวเป็นค่าผิดตอ่อทํามันก็ต้องต่อสู้กับทรรมเรือยไปฝังทํามเรือยไปนั่นแหละนี่้ํานนเนียสินเสนเี่ยวแตกขึ้นธรรัญาจะพอพูดแล้วกับกเพื่อนหนก็พูดใช่